พระธรรมเทศนาแผ่นที่86ลำดับที่6โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่22กุมภาพันธ์2559มีชื่อเรื่องว่ารู้จักกฎกติการู้จักรักษาของ วันนี้เป็นวันที่22กุมภาพันธ์พทธศักราช2559พวกเราถึงจะไม่ยุ่งยากมันก็ต้องยุ่งยากเพราะมันเกิดเราทำบุญในวัดของเราทำบุญรวมญาติทำบุญอุทิศส่วนกุศลแต่เมื่อเช้าก็รู้สึกว่าพี่น้องประชาชนล้นหลามอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็น เราก็เองก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าคนจะมากถึงขนาดนี้เพราะเราก็าไม่ได้ออกการบัรเชิญอะไรมีแต่พูดแต่ตนเช้ า, อาบอกตามที่เราเคยพูดได้เคยกล่าวแต่ก็คงจะเป็นอิทธิพลของอสื่อเฟซบุ๊กหลวงพ่อว่านะมาคนมาเมื่อเช้านะจากเหนือจดใต้เลย เยอะจริงๆแล้วก็เป็นวันมาค้าบูชาด้วยคนก็ไปแสวงบุญแต่งานของเราก็เรียบร้อยดีก็ไม่มีปัญหาแต่ก็ยังไม่ได้เช็คในรายละเอียดเหมือนกันนะแต่ที่ผ่านๆมาที่หลวงพ่อเห็นเนี่ยก็ไม่มีอะไรแต่เมื่อเช้าเมื่อคืนเนี่ยทราบว่าถวายสมทานไป30มสบสกว่าสมทานมัก ที่ท่านมาได้มาฉันตอนเช้าพนอะสวดมนต์ท่านมาสวดมนต์เสร็จแล้วท่านก็กลับวัดของท่านเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันมาค้าบูชาของแต่ละวัดต่างวัดก็ต่างรับภาระคณะสธา ญ, ญาติโยมของแต่ละวัดแต่ในวัดของเราเมื่อเช้าเนะี่ยฉันจักหันแปดสิบกว่าองค์ก็มากพอสมควรอยู่แต่กลับไป สาสิกว่าเกือบสี่องค์จตุปัจจัยของเราก็ถวายเราเป็นทายกวัดของเราเป็นทายกวัดเราทำบุญแล้วก็ครูบาอาจารย์มาจากจากตุรทิศนี่ยเป็นปฏิฆาหกมารับจตุปัจจัยไทยธรรมของพวกเราเราก็พวกเราได้ทําบุญเพราะนั้นพวกเราอนุมณ์โธนา สาธุนะอุทิศส่วนกุศลเพราะปัจจัยเป็นปัจจัยของวัดไม่ใช่ของปัจจัยของหลวงพ่อหรอกเป็นปัจจัยของส่วนกลางที่หลวงพ่อเคยพูดเคยกล่าวแล้วก็วันนี้เป็นวันอุโบสถพวกเราก็ลงเที่ยงวันนี้ถ้าเราจะลงตอนเย็นก็ใกล้ๆวันเดินทําวัดเย็นเราก็ทำํำมาคะบูชาประทักษิณ รอบซาลาจัดข้างนอกเนาะเหมือนกับพวกเราเคยทำเคยจัดการกันเหมือนตอนก่อนนั่นแหละทาเหมือนแต่คราวก่อนพวกเราเคยเคยทำมาแล้วหลวงพ่อจะไม่อธิบายอะไรมากให้ช่วยๆกันคิดช่วยๆกันทาเหวียฐฐนประทักษิณรอบซาลาซาลาอยู่ข้างนอกซาลาใหญ่วันนี้เป็นวันมาคบูชาตอนเที่ยงวันนี้ขณะนี้ เราก็ลงอุโบสถจบลงศักครู่นี้พวกเราได้ฟังพระปฏิโมกจบลงไปนี่แหละวันนี้ละคือเมื่อ2559หายหปีให้หลังพระพุทธองค์สเสด็จประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์วัดป่าเวลุวันป่าไม้ไผ่วัดของพระเจ้าพิมพิจาร พระสงฆ์มาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดแน่1250ร้มาและตอนเมื่อตอนบ่ายพระองค์ก็ได้รวมรวบรวมพระสงฆ์จากนั้นพระองค์ก็บัญญัติวินยัยคือสิน227รอ่สูตรสวดพระปฏิโมกข์เราบัญญัติให้สวดทุกส5้าวันบัญญัติวินยัย แต่เมื่อพระองค์บัญญัติแล้วพระองค์ก็ลังท้ายว่าสัพ ป, ปะปาปัสะอาการะนังการไม่ทำบาป ท, ทั้งปวงหนึ่งกุศลสูปะสัมปดาพยายามทำจิตใจให้เป็นกุศลให้ถึงพร้อมหนังสจิตตะปริโยร์ปานังทำจิตใจให้ผ่องผ่งแพ่ผ่องใสจิตใจให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสพูดง่ายๆ เอตังพุท ธ, ธานัสสาสนังนี่คือทำคำสอนของพุท ธ, ธะถ้าจะเราจะวิเคราะห์อยู่มุมไหนก็ตามนะสามบาทพระคาถาเนะี่ยเหมือนกับยาครอบจักรวันเป็นยาครอบจักรวันการไม่ทำบาปทั้งปวงเนะี่ยเป็นยังไงการยังกุดสนไม่ทำบาปทั้งปวงเฉยเยไม่ทำอะไรก็ไม่ได้เด้ การยังกุศลให้ถึงพร้อมคิดยังไงเป็นคิดเป็นกุศลทำพูดเป็นกุศลการยังกุศลให้ถึงพร้อมจากนัานก็ชำระใจให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสถ้าจะว่าไปนั่นก็คือนี่แหละเป็นยาครอบจั ก, กรวาลที่ประถมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอมตะวาจาเป็นวาจาอันไม่ตาย นี่แหละเมื่อพอระองค์ได้บัญญัติวินัย 2,500 2,559 ปีไม่เคยคำว่าฉีกกฎหมายและฉีกระแตรรมบันูนเรื่องว่าบัญญัติแล้วร่างใหม่ตั้งแต่บัดนั้นยังใช้มาได้กระทั่งวันนี้แต่ว่ามีไหมที่พระพุทธเจ้ายกเลิกวินัยก็มีอยู่เหมือนกันนะ มีหลายสิกขาบทอยู่เหมือนกันแต่เมื่อพระองค์จะปรินิพานนั่นก็ได้สั่งเสียพระอานุ์ว่าดูก่อนอานุ์อาบัตไหนที่เป็นอาบัตเล็กน้อยอาบัตยุ่มยิมพวกเธอประชุมการหารือกันจะถอดถอนวินัยที่ยุ่มยิมอาบัตเล็กน้อยก็ได้นะแต่พระอานุ์ไม่ได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าอาบัตเล็กน้อยอาบัตยุ่มยิมนั้นคืออะไรกลุ่มไหนเพราะมีหลายกลุ่ม หลายกลุ่มหลายหมวดหมู่สั่งสินอภิสมาจารย์ศินมาในพระปฏิโมกด้วยเพราะอ น, นุนก็อยู่ในวตกอยู่ในวตกกังวลว้าเหวอ้างว้างเงียบเหงาทกใจพูดง่ายๆว่าพระพุทธองค์จะไปในพานในสามเดือนข้างหน้าใครบอกคิดไม่ออกคิดในใจไม่ออกก็จะถามอะไรจะปฏิบปตนอย่างไรทั้งที่ท่านเป็น ผู้มีสติปัญญารอบขอบรอบด้านแต่พอมาถึงจุดนั้นท่านก็จกอีกเหมือนกันพราพระพุทธเจ้าจะปรินิ พ, อ พ, อ พ, า, พนานท่านก็ไม่ได้ทูลถามพระพุทธเจา้าแต่นั้นพระมหากัสปะกว่า พ, พุทธเจ้าได้สั่งเสียอะไรไว้บ้างไหมอานอนท์ที่ท่านอยู่ใกล้ชิดนั่นแหะเหมือนกับพ่อแม่จะจากไปผู้ที่อยู่ใกล้ชิดแล้พวกญาติพี่น้องก็จะต้องมาถามว่าพ่อแม่เราได้สั่งเสียอะไรไว้ไหมเป็นพินัยกรรม ลักษณะอย่างนั้นอะ่ะอันนี้พระอนุนก็เลยเล่าให้พระสงฆ์ทั้งหลายพระมหากัสจปะท่านได้ถามไหมว่าพระพุทธองค์ให้ถอดถอนศิกาบทไหนที่บทอบบอวบเล็กน้อยอวบหยุมเยิม้มหน่อยพระอนุนก็สารภาพว่าไม่ไ ม, ไม่ได้ถามเพราะว่าทุกใหญ่ทำปรับใจไม่ได้ปรับจิตปรับใจไม่ได้ในช่วงนั้นเพราะจิตใจ ที่พอได้ยินพระพุทธเจ้าจะปรินิพานอีกสามเดือนจุกเหมือนกันจุกในจิตใจคิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกในช่วงนั้นะจากนั้นพระสงฆ์ก็ได้ประชุมหาลือกั น, นอันนี้แหละก็คือความเป็นมาของวินัยเราบอกกฎระเบียบของพระพุทธเจ้าแต่ถึงยังไงท่านก็จังเน้นหนักเรื่องวินัยศินและวินัยยังมีอยู่ตราไปอย่างที่ผมเล่าแล้วลําอีก ทำและวินัยนั่นแหลจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายเมื่อเราตถาคตผ่านไปแล้วท่านไม่ได้มอบให้ว่าเออเมื่อเราตถาคตผ่านไปแล้วนะวินัยทั้งหลายศิลและวินยัยให้ไปไต่าถามท่านมาหากัจจะนะสารพระอา น, นุ์นะนี่แหละเป็นตัวแทนของเราตถาคตพระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดอย่างนั้นท่านว่าศิลและวินยัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตถาคตยังอยู่ตราบนั้น ทำและวินัยนั่นแลจะเป็นศาสดาของพวกเธอท่านทั้งหลายในเมื่อเราแตถาคตผ่านไปแล้วบริเนยียนผ่านไปแล้วตายไปแล้วพูดง่ายๆนี่แหละอันนี้ก็คือหลักธรรมคาสอนบนนั้นเรื่องวินยัย อ, อย่ามองข้ามทางคนประเทศใดก็ตามาจะเป็นประเทศไหนก็ตามอย่างที่หลวงพ่อได้ยินได้ยินก็ว่านนี่ แถวบางต่างบางบางประเทศเมีทรัพยากรในแผ่นดินเยอะอคนท่าหลายก็แห่ไป เ, เพื่อจะไปอยากจะได้ทรัพยากราที่ไปเก็บทั้มนมุหมนกันเก็บก้อนหินลักษณะอย่างนั้นแต่พอไปถึงนคนในประเทศของเขาไม่มีกฎหมายเขาเห็นแล้วก็หลุมหลุมถึงเลยจะแย่งเอาเลยก็แย่งเอาเลย ถ้าตัวเองหมู่เพื่อนไม่เพียงพอนะี่ยแปลว่าเข า, เาลุมกินโต๊ะหมดเลยเอพอจะฆ่าพอจะตีถ้าไม่ยอมเขานะ เ, าเขากดกัดไม่เลือก น, ะนี่แหละอันนั้นก็คือประเทศที่ไม่มีกฎหมายาถ้าไม่มีกฎหมายต้องเป็นอย่างนั้นถ้าว่ากฎหมายเขาแข่งคัดถึงจะต่างชาติต่างภาษาจะเป็นใครก็ตามเข้าไปในประเทศของเขา ถ้าคนของเขาเบียดเบียนเขาก็จะต้องเอามาซักไซสไล่เลียงว่าคุณไปทํำยังไงมันผิดกฎหมายนะเป็นกฎหมายสากลนะอันนี้ก็คือกฎหมายก็คือเนี่ะถ้าประเทศใดมีกฎหมายปกครองชุมชนไหนมีกฎหมายปกครองมีกฎกติกาปกครองชุมชนในกลุ่มนั้นก็ร่มเย็นเป็นสุขพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติวินยัย ก็คือกฎกติกากฎหมายกฎระเบียบตอนที่พระสงค์จะอยู่ด้วยกันเมื่อพระสงค์อยู่ด้วยกันหลายหลายองค์การอยู่ด้วยกันการใช้ของรวมกันใช้โต๊ะใช้เก้าอี้ใช้เสนาชนะอยู่ใกล้กันอยู่ด้วยกันปฏิบัติอย่างไร่างภิกษทุที่อยู่กุฏิใกล้กันเวลาเอาผ้าออกมาตากสะบัด กระตุกผ้าให้เสียงดังกระปรับอาบัดทุกกฎถ้าเอาไม้มาตีให้ฝุ่นครุง้งไปอยู่ใกล้กุฏิของท่านผู้อื่นปรับอาบัดทุกกฎมีเยอะเหลือเกินรุปแล้วก็คือการอยู่ด้วยกันต้องมีกฎระเบียบระหว่าการไปนั่งไปนั่งพิงต้นเสาหรือไปนั่งพิงฝาเงือไปถูกเสาไปถูกฝามันเป็นด่างสีหลด เรือว่าทำให้ดําเพื้อนเปรับอ ბ ัตทูกฏขึ้นกุฏิไม่ล้างเท้าปรับอ ბ ัตทุกฏให้ให้พวกเราศึกษาในวิัย์ในแต่สรุปแล้วก็คือการเป็นอยู่ของพระสงฆ์ต้องอยู่ในกฎต้องอยู่ในในในระเบียบต้องอยู่ในวิทย์ในในกฎกติกา ท, ที่พระพุทธเจ้าวางไว้เนี่ยการอยู่ด้วยกันถึงจะมากน้อยก่อ ร่มเย็นเป็นสุขเพราะต่างคนก็ต่างอยู่ในระเบียบอยู่ในวิถนาการพูดจาพาทีก็รู้จักสูงรู้จักต่ำรู้จักสิ่งควรไม่ควรรู้จักผู้น้อยรู้จักผู้ใหญ่ผู้น้อยเป็นยังไงผู้ใหญ่เป็นยังไง เ, เมื่อเราเป็นผู้น้อย เ, ออเรามีอะไรเราก็ถามผู้ใหญ่ปรึกษาผู้ใหญ่ในเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่มีอายุพรรษามาก เราก็ให้ความเกรงใจเกรงอกเกรงใจผู้น้อยอย่างไรการที่จะบอกกล่าวแนะนำไม่ใช่ว่าใช้ น, ะนักเกลงเด่ากลาดเป็นก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น เ, เราอยู่ในสถานะไหนถ้าเราอยู่ในสถานะครูบาอาจารย์ที่เป็นหัวหน้าจ่าฝูง อ, อีกอย่างหนึง่งถ้าเป็นหัวหน้ารองลงไปการที่จะบอกกล่าวแนะนำพวกน้องๆเรากดวางสถานะอย่างไงให้พวกที่เป็นน้อง เออที่จะปฏิบัติตนในครูบาอาจารย์รุ่นพี่ปฏิบัติตนอย่างไรซึ่งเหล่านี้ท่านมันมีวินัยคุ้มครองทั้งหมดนะเอออย่างที่หลวงพ่อพูดเมื่อวานเมื่อเช้าวานเมื่อวานเรียกพระมาเวลาแขกคนมาใครมาอย่างไอให้ปล่อยให้พระใหม่ยังไม่รู้ยังไม่ได้อยู่นาน แขกปวกจำนวนนี้มีความจำเป็นกับวัดเรามากน้อยแค่ไหนคุ้นเชื่อมากน้อยแค่ไหนให้การสนับสนุนระหว่าเป็นวิสาจ า, าวัดเราขนาดไหนพระใหม่ไม่รู้พระเขาก็ปล่อยป่าได้เลยเสียหายพวกท่านทั้งหลายต้องคิดนะจุดนี้นะถ้าหากว่าถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะพวกผู้ที่เขามาเกี่ยวข้องกันนะอื๋อระอา และพวกท่านจะอยู่ได้อย่างไรจะเป็นยังไงต่อไปภายภาคหน้าดูให้ดีคิดให้ดีในสิ่งเหล่านี้พวกคณะสัตายาติโจงกลุ่มกลุ่มที่เคยมาพึ่งพาอาศัยพาปฏิบัติธรรมเราต้องให้ความสำคัญเนี่ยแหละคือญาติธรรมของเรานานมาทุ่มหนึ่งผู้ที่มาการให้การสนับสนุน ดูแลปัจจัยสี่กูมเด้ ง, ต, งต้องดูแลแล้วต้องแยกแยะให้ออกถึงจะมาทุกวันก็เถอะแต่มาก็เหมือนกับคนเราธรรมดามาอีกอย่างหนึง่งสิ่งเหล่านี้ถ้าใช่จติตใช้ปัญญาใช้แนวความคิดแยกแยะดูอันนี้เราไม่ได้บอกว่าแบ่งชาติชั้นวรรณะไม่ใช่อคือมันแบ่งอยู่แล้วแต่จะท่าอย่างนั้นกันพวกท่านทั้งหลายบวชเข้ามากับสีเหลืองเหมือนกันก็นเหมือนกันนะสิ ทำไมมีอาวุโสพันเตละ่ะก็มันแบ่งกันโดยชั้นมันแบ่งกันโดยฐานะเละวาการเป็นอยู่มันแบ่งกันโดย เ, เรื่องเราอยู่แล้ววัะนั้ใครพวกเราท่านทั้งหลายนะสิ่งเหล่านี้ถ้าพวกรนันพวกท่านทั้งหลายปฏิบัติถูกต้องเป็นธรรมเป็นวิ น, นัยด้ปร่นราปร่นไปหมดถึงจะออกไปจากหลวงพ่อไปอยู่เป็นสมภารก็วางตัวถูก ว่าควรจะวางตัวยังไงแต่ไม่ใช่ว่าอแขกใครไทยมาคนรู้จักมักคุณไปให้เนนน้อยที่ไม่รู้จักอีนโหนอินอเน่เข้ามาแล้วกันผลในสุดเขาก็เลยไม่ไปหละทีเดียวที่นี่แหละผลในสุด ต, ต, ตัวตัวเองจะทํำยังไงอแล้วไม่แคร์ใครอย่างนั้นจะไหมก็ใช่ไม่แคร์เขาไม่เป็นไรผลในสุดไม่มีอันจะกินก็วิ่งมาห า, ลออาหลวงพ่ออินบานทหลวงพ่อ ผมขาดนั้นผมขาดนี่ผมยังได้นะเนี่ยเพราะอะไรเพราะไม่รู้จักการวางตัวพ่าะโง่สรุปแล้วเพราะโง่นั่นเองไม่ใช่อื่นไกลถ้าไม่งโง่แล้วก็ต้องรู้จักหลวงพ่อมาอยู่ที่นี่เห็นไหมหลวงพ่อเองไม่เคยที่จะไปขอจากองค์ลุงตาท่านให้อันไหนมาเอาเอรับยินดีรับแล้วก็พัฒนาดูแลให้ดีที่สุดาตามที่ ท่นมอบปายมาให้ทําำจากนั้นก่อนเราก็ดูก็อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นผมไม่เคยทุกข์กับทางด้านวัตถุเป็นไปพ อ, พอเป็นพอไปอสิ่งไหนที่เกิดขึ้นมาก็ดูให้ดีรักเอสงวนห่วงแหนที่เขามอบมะบมอ บ, ม, อบมาให้ใช้ให้เป็นเราจะไม่ใช้ทิ้งทิ้งขว่างคเก็บหอมรอมริบเอ เก็บไม่ใช่เก็บแต่เฉพาะเผื่อตนเองเก็บเผื่อหมูเผื่อเพื่อนด้วยถ้าเผื่อต่อไปพ้ายภาคหน้าทำพันุ์ไม่มีอย่างนี้เนี่ยเราก็จะเอาให้หมูเพื่อนได้ใชเ้เก็บไว้เพื่อหมูเพื่อเพื่อนเก็บไว้เพื่อครูบาอาจารย์แล้วก็รักษาไว้เพื่อศรัทธาญาติโยมอีก่างหากนี่แหละมันเราเกิดมามีพักมีพวกมีหมูมีเพื่อนมีญาติมีโยมมีศรัทธาญาติโยมก็มาเกี่ยวข้อง ไม่ใช่ว่าได้อะไรมากเพ้อแล้อโยนทิ้งไปทั้งหมดอพอขาดหรืออะไรมากนะเอแผ่ขอญาติโยมขอนั้นขอนี่กับเขาไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิน้นเพราะพระเจ้าจึงบัญญัติวินัยในครั้งพุทธกาลพอได้ผ้ามากก็นะ่ะไปทิ้งไว้ที่ไหนทั้งฝนตกแดดออกปวกกัดแมลงกัดตักกระแตนกัด ผ้าขาดแล้วก็พ่อผ้อาขาดไปขอจากยมยมเอาให้แล้วก็นไม่เท่าไรก็ไม่รักษาอีกหนูกัดอกีอกขาดอีกไปขอจากยมในหลวบพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติวิาไงภิกษุใดก็ตามเมื่อได้ผ้ามาแล้วผ้าไตรจีวรต้องรักษาต้องอยู่ในสายตาภิกษุอยู่ปราชจากไตรจีวรแม้คืนแรก ต้องนิจขีิยะปาจิตีปรับอบัตหนักพสอสมควรเป็นอบัติปาจิตีคล้ายๆว่าไม่ใส่ใจในบริขารของตนเองเมื่อบริขารขาดแล้วก็ไปแผลไปขอทำให้คณะสัทธา ญ, ญาติโยมเดือดร้อนกับตัวเองไม่เป็นท่านี่แหละสรุปแล้วก็คือการเป็นอยู่ของพระสงฆ์ลืมตัวนั่นเองพระพุทธเจ้าสอนมาให้ภิกษุลืมตัว เ, เมื่อได้สิ่งของมาแล้วก็ต้องเก็บรักษาไว้ให้ใช้ให้ได้นานที่สุด เ, เพราะมันเป็นศรัทธาญาญโญเขาถวายมาต้องเห็นน้าใจใของเขาเอนก่อนที่เขาจะได้มา เ, เขาทำยังไงเขาได้มาเราเคยเป็นคราว่าต์ไหมถ้าเราเป็นคราวา่าตเราคงจะรู้จักวิธีการได้เงินมาได้มาง่ายๆใช่ไหมไปเอาเตี๋นกี่เคี้ยวตา พื้นดินตามใบไม้ก็ได้มาหมอลักเงินอย่างนั้นใช่ไหมมันไม่เป็นอยาาน่างอันก่อนที่จะได้เงินมาเนี่ยเงือตกไม่รู้กี่หยดพอได้เงินมาแล้วหนึ่งต้งจะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองด้วยด้วยเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวด้วยค่าน้าําค่าไฟค่าอะไรตอ น, นีในครอบครัวของตัวเองด้วยจากนั้นก็แบ่งมาทําบุญทำํำทานอยากจะได้บุญใไต้กุศลเพื่อปูทางไปสู่มรรคผลนิพพาน ต่อไปในอนาคตนี่แหละคือการเป็นอยู่ของฆราวาสญาติโยมพวกเราคิดดูให้ดีนะเพราะนั้นการเป็นอยู่ของพระอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยอย่าลืมตัวใช้อะไรครองไปใช้ทิ้งทิ้งขว่างคว่า ง, างาทิ้งใช้ไม่ได้ใส่ใจสนใจเผื่อฆราวาสญาติโยมก็มาเห็นนัน่นแหละไม่ใช่อื่นไกลแล้วพวกพระของเราเนี่ยพระบวดใหมน่นะ ที่พระมาจากกรุงเทพหรือพระที่ไหนครับพอมาเห็นพระวัดป่านาคําน้อยทั้งจบูทั้งแฟบทั้งอะไรต่อไม่อะไรโอ้ถ้าเป็นบ้านของเราเราไม่กล้าทิ้งเลเสียดายแต่พระในวัดนี้ทำไมใชเฟอถึงขนาดนี้ไม่รู้จักเก็บเรือไอ้ของผลในสุดเขาก็หมดศรัทธาถ้าหมดศรัทธาแล้วก็พอของหมดใช่เลยก็เขาก็บอก ก็ใช้ก็ใช้อย่างนั้นแหะเป็นมันก็อย่างนั้นแ่ะสิแต่พอใช้เข้ามามันเฟ้อเฟไม่รู้จักเก็บนะ่ะแต่เอาขนไปให้เท่าไหร่มันก็ไม่รู้จักพอแลยแต่เหมือนเกิดขนไปเทไปทิ้งลงในน้ํำนะพราะขนเข้าไปไม่รู้จักเก็บสนะิ่งเหล่านี้ให้พวกท่านทั้งหลายเคยคิดไหมในอย่างนี้อนะแต่ผมเองก็ไม่ไม่เห็นไม่ถึงกับท่านพวกท่านทิ้งๆิ้งคค ว, วางขนาดนั่นหรอกแต่เป็นการย้ํากล่าวเตือนเอาไว้ว่า ผลมันออกมามันจะออกมาในลักษณะอย่างนั้นถ้าหากว่าพวกเราไม่ดูแลไม่ตรวจตราไม่กำชับในการเป็นอยู่ของพวกท่านทั้งหลายไม่ใช่อื่นไกลหรอกพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านบอกไว้แล้วผู้ที่จะทําให้ศาสนาเสื่อมหรือศาสนาเจริญคือพวกเราท่านทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันนี่แหละพุทธบริษัทสีนี่แหละจะทําให้ศาสนาเจริญรุ่งเรือง พุทธบริษัทสีนี่แหละจะทําให้ศาสนาเสื่อมหมดไปโดยเร็วจากโรกนี่แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายตรวจตราดูตนเองเถนี่แคร่ข้าวไปเจ้าเนี่ยทำให้ศาสนาเสื่อมหรือทําให้ศาสนาเจริญให้มองตัวเองคิดเราคิดยังไงเวลาเราทําเราทํำยังไงเวลาเราพูดเราพูดยังไงแต่พูดสร้างสรรค์ใช่ไหมการกระทํากับเพื่ออยู่ในอยู่ในหลักพระธรรมวินัยได้ไหม การคิดก็เป็นกุศลจะไหมอย่างที่ พ, พระพุทธเจ้าที่ท่านให้โอ้ว่าถาปฏิโมกต์นสศจิตตะประโยชน์ปานังกุศลสูป ส, สัมปดานี่แหละการยังกุศลให้ถึงพร้อมสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราท่านทั้งหลายตรวจตราดูตนเองดูตลอดเวลาอย่าลืมตัวพูดง่ายๆอย่าลืมตัวในการเป็นอยู่ ท่าพวกเราท่านท่านหลายลืมเริืมตัวเมื่อหลายกมื่อนนั้นแหละความหายนะความจิบหายจะเข้ามาสู่พวกเราท่านทั้งหลายนะไม่ใช่แต่ท่านทั้งหลายมันเข้ามาสู่วัดเลยละ่ะจามาสู่ส่วนกลางคือพระพุทธศาสนาเลยหละ่ะแต่พวกเราเป็นผู้เข้มงวดกวดขันในหลักพระธรรมวิ น, นัย อ, อยู่ในหลักพระธรรมวิ น, นัยเป็นผู้สํารวงกายวาจาใจและเป็นผู้อยู่ในศีลและวินัยนั่นแะหละ ศาสนาของพุท ธ, ธใครเห็นก็สบายอกสบายใจศรัทธาญาติโเขก็มาเกี่ยวของก็สบายใจเป็นสุขใจเออถ้าเราทําบุญให้สงฆ์กลุ่มนี้สงฆ์กลุ่มนี้เป็นผู้มุ่งมั่นในศีลในธรรมเ อ, อเราจะได้บุญกุศลนี่เขาก็มุ่งหวังเขาทําอะไรเขามุ่งหวังบุญกุศลทั้งนั้นแหละพวกท่านทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายก็เหมือนกันนะั่นแหละไม่แพ้เขาหรอกนะ ออบัด น, นี้ก็ได้กล่าวเรื่องศีลและวไนยกฎระเบียบการอยู่ด้วยกันการเป็นอยู่ของพระสงฆ์เอาจะนี้ไปก็อสวดท้ายปฏิโมกข์แล้วนะตอนนี้เนะแล้วตอนเย็นนะอย่าลืมพระลงมาประมาณทุ่มหนึ่งก็ออกไปข้างนอกไหวพระสวมดมนต์แล้วก็ไหวพระแล้วก็คงจะกล่าวเอาเขารลบสักการะในวันมาฆบูชาและขวเวียนพระทักษิณรอบ พระพุทธปฏิมาอย่างอยู่ข้างนอกเหมือนกับพวกเราเคยทำทุกปีนั่นแหละนะต่อนนี้ไปก็สดท้ายปฏิโมกข์นั่นเอนะ